โหธถาชาดกว่าด้วยพระมะโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีพระเจ้าวิเทหะทอดพระเนตรเห็นมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์เข้ามาเฝ้าก็สบายพระทยัยเมื่อจะรับสั่งกับมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์จึงตรัสว่าพ่อมโหสถพระเจ้าพรหมทัตผู้ครองแคว้นปัญจาละเสด็จญาตราทับมาพร้อมกับกองทัพทุกหมู่เหลา่า กองทัพของพระเจ้าปัญจาละนั้นประมาณไม่ได้มีกองช่างโยธากองราบล้วนแต่ฉลาดในสงครามทุกอย่างมีเสียงอึกกระเทิกเกึกกล้องเป็นสัญญาให้กันและการรู้ได้ด้วยเสียงกลองและเสียงสังมีความรู้ในการใช้โลหะธาตุมีเครื่องประดับครบครันมีธงทิวสลอนช้างและม้าสมบูรณ์ดีด้วยผู้เชี่ยวชาญศิลป์ตั้งมั่นด้วยเหล่าทหารผู้ ก, ล, กล้า กล่าวกันว่าในกองทัพนี้มีบัณฑิตสิบคนมีปัญญาเพียงดังแผ่นดินมีการประชุมปรึกษากันในที่ลับพระมารดาของพระเจ้าปัญจาละเป็นองค์ที่11อช่วยปกครองสั่งสอนชาวแคว้นปัญจาละอันหนึ่งในบรรดาชนเหล่านี้กระสัดร้อยหนึ่งพระนครผู้เรืองยศตามเสด็จพระเจ้าปัญจาละถูกชิงแคว้นกลัวภัยจึงตกอยู่ในอำนาจของชาวแคว้นปัญจาละ เป็นผู้ทําตามที่พระราชารับสั่งไม่มีความปรารถนาจะกล่าวก็จําต้องกล่าวคําเป็นที่รักต้องตามเสด็จพระเจ้าปัญจาละผู้มีอำนาจมาก่อนไม่มีความปรารถนาก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าปัญจาละกรุงมิทิลาก็ถูกล้อมด้วยกองทัพนั้นเป็นสามชั้นเมืองหลวงของชาวแควนวิเทหะก็ถูกขุดเป็นขูโดยรอบพ่อมโหสถกองทัพที่แวดล้อมกรุงมิทิลานั้น ปรากฏเหมือนดาวบนท้องฟ้าพ่อจึงรู้ว่าจะรอดพ้นได้อย่างไรมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์ทรงเหยียบพระบาทตามพระสําราเถิดขอเชิญเสวยและรื่นรมพระหฤทัยในกามเถิดพระเจ้าพรหมทัตจะต้องทิ้งกองทัพชาวแควนปัญจาละเสด็จหนีไปพราหมณ์เกวัตตะเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหะ แล้วกราบทูลเหตุที่ตนมาว่าพระราชามีพระประสงค์จะทำสันทวะมิตรีกับพระองค์จะพระราชาทานรัตนะแก่พระองค์ตั้งแต่นี้ไปราชาทูตทั้งหลายผู้มีวาจาไพเราะพูดคำเป็นที่รักจงมาขอจงกล่าววาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นชมต่อกันขอแววนปัญจาละกับแควนวิเทหะทั้งสองแควนนั้นจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเจ้าวิเทหะทอดพระเนตรพราหมณ์เกวัตตะแล้วตรัสถามถึงอาการที่สนทนากับมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าท่านเกวัตตะท่านได้พบกับมโหสถเป็นอย่างไรหนอขอเชิญเล่าเรื่องราวนั้นมโหสถกับท่านต่างอดโทษกันแล้วกระมังมโหสถกินดีแล้วกระมังพราหมณ์เกวัตตะจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชน คนผู้ไม่สุภาพไม่ชื่นชมกับใครเป็นคนกระด้างไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษเขาไม่กล่าวข้อความอะไรอะไรเป็นเหมือนคนใบ้และคนหนว่พระเจ้าวิเทหะได้สดับดังนั้นไม่ทรงยินดีไม่ทรงคัดค้านเริ่มตั้งคําถามขึ้นเองว่ามนบทนี้เห็นได้ยากแน่นอนมโหสถผู้มีความเพียรได้เห็นประโยชน์อันบริสุทธิ์จริงอย่างนั้นกายของเราก็ยังวันวันอยู่ ใครเล่าจากทิ้งแคว้นของตนไปสู่เงื้อมือของผู้อื่นพระเจ้าวิเทหะตรัถามโมหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ว่ามติของเราทั้งหกคนผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญายอดเยี่ยมเป็นเอกฉระชันเสมอกันโมโหสถแม้เธอก็จงลงมติว่าควรไปหรือไม่ควรไปหรือควรยับยั้งอยู่ที่นี้โมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ฟังพระราชดำรัสดังนั้น คิดแล้วรกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงทราบอยู่ทีเดียวว่าพระเจ้าจุลณีพระมทัศทรงมีอนุภาพมากมีพลังมากและปรารถนาจะปลงพระชนพระองค์เหมือนในพรานเนื้อด้วยนางเนื้อปลาอยากกินเหยื่อสดกลืนเบ็ดที่ใช้เหยื่อปกปิดไว้ก็ไม่รู้ว่าตนจะตายฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงติดอยู่ในกาม ก็ยอมไม่ทรงทราบ พ, พระธิดาของพระเจ้าจุลณีเหมือนปลาไม่รู้จักว่าตนจะตายฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระองค์จะเสด็จไปแคว้นปัญจาละก็จะเสียพระองค์ไปในทันทีภัยใหญ่จับมาถึงพระองค์เหมือนภัยคือความตายมาถึงเนื้อที่เดินไปตามทางพระเจ้าวิเทหะถูกมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์คมมากเกินไปจึงทรงกลิ้วแล้วตรัสถามว่า พวกเรานั่นแหละผู้กล่าวถึงประโยชน์อันสำคัญกับท่านกลับเป็นคนโง่บ้าน้ำลายท่านเล่าเติบโตมาด้วยหางไทยจะรู้ประโยชน์เหมือนคนอื่นๆได้ละหรือพระเจ้าวิเทหะด่าบริพามสมโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์เมื่อจะขับไล่จึงตรัสว่าท่านทั้ทงหลายจงใสคอมโหสดบัณฑิตนี้ผูพ้พูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะของเราขับไล่ให้พ้นไปจากแคว้นของเรา พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตก็หลีกไปจากราชสำนักของพระเจ้าวิเทหะต่อมาก็ได้เรียกนกแขกเต่าตัวฉลาดที่ชื่อมาทุระที่เป็นทูตมาสั่งว่ามันนี่เถิดสหายผู้มีขนปีกสีเขียวเจ้าจงทำการขนคว้ช่วยเหลือเรามีนางนกสาลิกาที่เขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บรรทมของพระเจ้าปัญจาล นางนกตัวนั้นฉลาดในสิ่งทั้งปวงเจ้าจงถามมันโดยละเอียดมันรู้ความลับทุกอย่างทั้งของพระราชาและเกวัตพรามณ์โกสิยโคตนั้นนางนกแขกเต้าตัวฉลาดที่ชื่อมาทุระตัวมีขนปีกสีเขียวรับคําของมโหสถบัณฑิตแล้วได้ไปยังที่อยู่ของนางนกสาลิกาแต่นั้นนกแขกเต้าตัวฉลาดที่ชื่อว่ามาทุระนั้น ครันไปถึงแล้วก็ได้ถามนางนกสาลิกาตัวมีกรงงามมีเสียงเพราะว่าแม่กรงงามเธอสบายดีหรือแม่เพศสวยเธอพาสุขหรือเธอได้เข้าตอ ก, กับน้ำผึ้งในกรงอันงามของเธออยู่หรือนางนกสาลิกาตอบว่าสุวบัณดิตผู้สหายฉันสบายดีและไม่มีโรคเบียดเบียนอันหนึ่งฉันได้เข้าตอกและน้ำผึ้งอยู่นะ ท่านมาจากที่ไหนหรือใครใช่ให้มาสหายก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยพบหรือเคยรู้จักท่านเลยนกแขกเต้าได้ฟังคำของนางนกสาริกานั้นแล้วจึงกล่าวว่าฉันถูกเขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บรรทมบนปราสาทของพระเจ้ากรุงศรีพีต่อมาพระราชาพระองค์นั้นทรงตั้งอยู่ในธรรมโปรดให้ปล่อยเหาสัตว์ที่ถูกขังไวจากที่ขัง นกแขกเต้าต้องการจะฟังความลับจึงกล่าวมุสาว่าฉันนั้นได้มีนางนกสาลิกามีเสียงหวานตัวหนึ่งเป็นพัญญาเก่านางได้ถูกเหีียวฆ่าตายเสียในห้องบรนทมต่อหน้าของฉันในกรงอันงามที่เห็นอยู่เพราะฉันรักเธอจึงมาหาเธอถ้าเธอเปิดโอกาสให้เราทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็ดีใจ แต่ไม่ให้นกแขกเต้ารู้ว่าตัวก็รักทำเป็นไม่ปรานาแล้วกล่าวว่าก็นกแขกเต้าก็ควรรักใคร่กับนางนกแขกเต้าส่วนนกสาลิกาก็ควรรักใคร่กับนางนกสาลิกานกแขกเต้ากับนางนกสาลิกาอยู่ร่วมกันจะเป็นเช่นไรนกแขกเต้าได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าผู้ใดใคร่อยูในกาแม้แต่กับหญิงจันทานผู้นั้นก็เป็นเหมือนกันทั้งหมด เพราะในกามไม่มีคนที่จะไม่เหมือนกันนกแขกเต้าบัณฑิตครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะประมวลเรื่องในอดีตมาแสดงจึงกล่าวต่อว่ามีพระชนนีของพระเจ้ากรุงศรีพีพระนามว่าชัมพาวดีพระนางเป็นพระมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าวาสุเทพกันหโคดนกแขกเต้าบัณฑิตยกอุทาหรณ์อย่างอื่นมากล่าวอีกว่ามีกินรีชื่อรัตนวดี แม่เธอก็ได้ร่วมรักกับวัชะดาดบทมนุษย์ได้ร่วมรักกับนางเนื้อก็มีในความใคร่มนุษย์หรือสัตว์ไม่มีต่างกันนกแขกเต้าบัณฑิตเมื่อจะทดลองนางนกสาลิกาจึงกล่าวอีกว่าแม่นกสาลิกาผู้มีเสียงไพเราะเอาเถอะฉันจากไปละเพราะถ้อยคำของเธอนี้เป็นเหตุให้ฉันประจักษ์เธอดูหมิ่นฉันแน่นางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า มาทุระสุวะบัณดิตสิริย่อมไม่มีแก่ผู้ด่วนได้ใจเร็วเชิญท่านอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าจะได้เข้าเฝ้าพระราชาจนกว่าจะได้ฟังเสียงตะโพนและเห็นอนุภาพของพระราชานกแขกเต้าบัณดิตเมื่อจะถามความลับนั้นจึงกล่าวว่าเสียงดังอึกทึกนี้ฉันได้ยินมาภายนอกชนบทว่าพระธิดาของพระเจ้าปัญจาลมีพระชวีวันดังดาวประกายพฤึก พระเจ้าปัญจาละจากพระราชทานพระราชธิดานั้นแก่ชาวแคว้นวิเทหะคือจักมีอภิเศกระหว่างพระเจ้าวิเทหะกับพระธิดานั้นนางนกสาริกาถูกนกแขกเต้าบัณฑิตแค่นคล้ายนักจึงกล่าวว่ามาทุระวิวาหะมงคลเช่นนี้จงอย่ามีแก่คนผู้เป็นศัตรูกันเหมือนวิวาหะของพระธิดาของพระเจ้าปัญจาละกับพระเจ้าวิเทหะเลย นางนกสาลิกาครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวอีกว่าพระราชาผู้เป็นจอมทัพแห่งชาวแคว้นปัญจาละจักทรงนำพระเจ้าวิเทหะมาแต่นั้นจักรับสั่งให้ปลงพระชนชีพระองค์เสียพระเจ้าวิเทหะไม่เป็นพระสหายของพระเจ้าปัญจาละนกแขกเต้าบัณฑิตได้ฟังดังนั้นหวังจะให้นางนกสาลิกาอนุ ญ, ญาตให้ตนกลับไปจึงกล่าวว่าเอาเถิด เธอจงอนุญาตให้ฉันไปสักเจ็ดคืนเพียงให้ฉันได้กราบทูลพระเจ้ากรุงศรีพีและพระมเหสีของพระองค์ว่าฉันได้ที่พักในที่อยู่ของนางนกศาริกาแล้วนางนกสาริกาได้ฟังดังนั้นเมื่อไม่สามารถจะห้ามได้จึงกล่าวว่าเอาเถิดฉันอนุญาตให้ท่านไปได้เพียงเจ็ดคืนถ้าเจ็ดคืนท่านยังไม่กลับมายัางที่อยู่ฉันกําหนดวันตายไว้แล้ว ท่านจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อฉันได้ตายไปแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นแหละนกแขกเต้าตัวฉลาดชื่อมาทุระจึงได้บินไปบอกคำของนางนกสาริกานี้แก่มโหสถบัณดิตมโหสถบัณดิตโพธิสัตว์เมื่อจะเปล่งอุทานด้วยกาลังปีติจึงได้กราบทูลว่าราชบุรุษพึงได้บริโภคโพคะในพระตำหนักของพระราชาพระองค์ใด ก็ควรทำประโยชน์ให้แก่พระราชาพระองค์นั้นเท่านั้นข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมแห่งชนเอาเถิดข้าพระองค์จะไปสู่เมืองอันน่ารื่นรมของพระเจ้าปัญจาละก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าวิเทหะผู้ทรงยศข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ครั้นข้าพระองค์สร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าวิเทหะผู้ทรงยศแล้ว พึงส่งข่าวมาถวายพระองค์ได้เมื่อใดขอพระองค์เสด็จไปเมื่อนั้นพระบ ร, รมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นมโมโหสดบัณฑิตได้ไปยังเมืองอันน่ารื่นรมของพระเจ้าปัญจาละก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายพระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยศครั้นได้สร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยศแล้ว ภายหลังจึงได้ส่งถูดไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิธิลาว่าข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์เสด็จมาณบัดนี้เถิดพระราชนิเวศที่สร้างเพื่อพระองค์สำเร็จแล้วลำดับนั้นพระราชาเสด็จไปพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาเพื่อทอดพระเนตรเมืองเจริญที่มโหสถบัณฑิตสร้างถวายในแควนกปิละซึ่งมีภานะนับไม่ถ้วนแต่นั้น เท้าเธอครั้นเสด็จไปถึงแล้วจึงทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าพระมทัตร์ว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันจะมาเพื่อถวายบังคมพระยุ ค, คลบาทของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระธิดาผู้ทรงความงามทั่วทั้งองค์ประดับด้วยเครื่องอลังการทําด้วยทองคําแห่ห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของหม่อมฉันหนบัดนี้เถิด พระเจ้าจูลานีสดับบุอยคาของราชทูตแล้วก็ทรงโสมนัสเมื่อจะทรงแสดงโสมนัสให้ปรากฏเด่นชัดประธานรังวาลแก่ราชทูตแล้วจึงตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าวิเทหะพระองค์เสด็จมาดีแล้วอนหนึ่งพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายเชิญพระองค์ทรงหาเลิกไว้เถิดหม่อมฉันจะถวายพระราชธิดาผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทาด้วยทองคา แห่ห้อมล้อมด้วยหมูนางค่าหลวงแก่พระองค์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหะก็ได้ทรงหาเริกครั้นแล้วจึงทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าพระมทัศว่าขอพระองค์ทรงพระราชทานพระราชธิดาผู้ทรงความงามทั่วทั้งองค์ประดับด้วยเครื่องอลังการทาด้วยทองคาแห่ห้อมล้อมด้วยหมูนางฆ่าหลวง ให้เป็นมเหสีของหม่อมฉันหน้าบัตรนี้เถิดฝ่ายพระเจ้าจุลณีตรัสตอบว่าหม่อมฉันจะถวายพระราชธิดาผู้ทรงความงามทั่วทั้งองค์ประดับด้วยเครื่องอลังการทำด้วยทองคำแห่หอมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของพระองค์หน้าบัตรนี้พระเจ้าวิเทหะเมื่อทรงปรึกษากับอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงตรัสว่ากองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบ เป็นกองทัพที่สวมเกราะตั้งอยู่จุดคบเพลิงสว่างสวัยอยู่บัณฑิตทั้งหลายจะเข้าใจอย่างไรหนอกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบเป็นกองทัพที่สวมเกราะตั้งอยู่จุดคบเพลิงสว่างสวัยอยู่บัณฑิตทั้งหลายจะทำอย่างไรหนอมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเจ้าจุลณีพระมทัตมีกำลังมาก รักษาพระองค์ไว้จะทรงประทุศร้ายพระองค์รุ่งเช้าก็จะรับสั่งให้ปรงพระชนพระองค์พระเจ้าวิเทหะทรงกลัวต่อมรณะภัยด้วยตรัสว่าฮาไทยของเราสั่นและปากก็แห้งผากเราไม่ได้รับความเย็นใจเลยเป็นเสมือนถูกไฟเผาอยู่กลางแดดเบ้าล้อมทองของพวกช่างทองย่อมไหมอยู่ข้างในหาไหมข้างนอกไหมฉันใดใจของเราก็ฉันนั้น ไม่อยู่ข้างในหาไม่ข้างนอกไม่มโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ยินเสียงพระเจ้าวิเทหะคร่ำครวญจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ทรงเป็นผู้ประมาทล่วงเลยการปรึกษาทำลายการปรึกษาบัดนี้ขอชนทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาจงป้องกันพระองค์เถิดพระราชาไม่ทรงทำตามคำของข้าพระองค์ผู้เป็นอมาตย์ผู้ใค่ประโยชน์และหวังดี ทรงยินดีด้วยปีติของพระองค์จึงเหมือนเนื้อติดบ่วงในพรานปลาอยากกินเหยื่อสดกลืนขอเบ็ดที่ใช้เหยื่อปิดบังไว้ก็ไม่รู้ว่าตนจะตายฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงติดอยู่ในกามก็ยอมไม่ทรงทราบ พ, พธิดาของพระเจ้าจุลนีเหมือนปลาไม่รู้จักตนว่าจะตายฉันนั้นถ้าพระองค์เสด็จไปแควนปัญจาละก็จกเสียพระองค์ไปทันที ภัยใหญ่จกมาถึงพระองค์เหมือนภัยคือความตายมาถึงเนื้อตัวเดินไปตามทางข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนบุรุษผู้เป็นอนาระยะชนก็เป็นเหมือนงูที่อยู่ในชายพกจะพึงกัดได้นักปราดไม่พึงผูกไมตรีกับบุรุษผู้นั้นเพราะการสังคมกับบุรุษชั่วนำทุกมาให้โดยแท้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนนักปราดพึงผูกไมตรีกับบุคคลผู้มีศีล เป็นพระหูสูตรที่รู้จักกันนั่นแหละเพราะการสมาคมกับสัต์ปรุษนำสุขมาให้โดยแท้มโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์คมพระเจ้าวิเทหายิ่งขึ้นจึงนำพระธรรัราที่ตรัสไว้ในการก่อนมากราบทูลว่าข้าแต่พระราชาพระองค์ได้ตรัสถึงเหตุที่จะให้ได้รัตนอันสูงส่งในสำนักของข้าพระองค์ทรงเป็นผู้โง่เคลาบ้าน้าลาย ข้าพระองค์เป็นบุตรของข้าพดีเติบโตมาด้วยหางไถจะรู้เขตที่ให้ได้รัตนะอันสูงส่งเหมือนคนอื่นได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงสคอโมโหสถบัณฑิตนี้ผู้พูดเป็นอันตรายต่อการได้รัตนะของเราขับไล่ให้พ้นไปจากแคว้นของเราพระเจ้าวิเทหะเมื่อจะยึดโมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งจึงตรัสว่าโมโหสถ เ่าบัณฑิตย่อมไม่พูดทิมแทงเพราะโทษที่ล่วงไปแล้วเพราะเหตุไรเจ้าจึงมาทิมแทงเราเหมือนมาที่เขาล่ามไว้ถูกแทงด้วยปะตักถ้าเจ้าเห็นว่าเราจะพ้นภัยหรือปลอดภัยเพราะเหตุไรเจ้าจึงทิมแทงเราเพราะโทษที่ล่วงไปแล้วเล่าจงสั่งสอนเราเด้วยความสวัสดีนั้นเถิมดมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ กรรมของมนุษย์ที่ล่วงไปแล้วทําได้ยากเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งข้าพระองค์ไม่อาจจะปลดเปลื้องพระองค์ได้ขอพระองค์ได้โปรดทรงรทราบเถิดช้างทั้งหลายที่มีริษมียศสามารถเหาะไปทางอากาศได้ของพระราชาใดามีอยู่ช้างเหล่านั้นก็จะพึงพาพระราชานั้นไปได้ม้าทั้งหลายที่มีริษมียศสามารถเหาะไปทางอากาศได้ของพระราชาใดามีอยู่ ม้าเหล่านั้นก็จะพึงพาพระราชานั้นไปได้นกทั้งหลายที่มีริษมียศสามารถบินไปทางอากาศได้ของพระราชาใดมีอยู่นกเหล่านั้นจะพึงพาพระราชานั้นไปได้ยักษ์ทั้งหลายที่มีริษมียศสามารถเหอไปทางอากาศได้ของพระราชาใดมีอยู่ยักษ์เหล่านั้นก็จะพึงพาพระราชานั้นไปได้ข้าแต่กษัตริย์กรรมของมนุษย์ที่ล่วงไปแล้วทำได้ยาก เกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งข้าพระองค์ไม่อาจปรบเปลื้องพระองค์ทางอากาศได้เสนกะบัณฑิตเมื่อจะขอร้องมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าบุรุษผู้ยังมองไม่เห็นฝั่งในมหาสมุทรได้ที่พำนักในที่ใดเขาย่อมได้รับความสุขในที่นั้นฉันใดท่านมโหสถขอท่านจงได้เป็นที่พึ่งทั้งของพวกข้าพระเจ้าและพระราชาฉันนั้นเถิด ท่านเป็นผู้ประเสริฐสุดของผู้ข้าพเจ้าเหล่ามนตรีขอท่านจงช่วยปลดเปลื้องข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์เมื่อจะขมเสนกะบัณฑิตจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์เสนกะกรรมของมนุษย์ที่ล่วงไปแล้วทําได้ยากเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่อาจจะปลดเปลื้องท่านได้ขอท่านจงรู้เอาเองเถิด พระเจ้าวิเทหะตรัสถามว่าขอท่านจงฟังคํานี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภยยัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านอาจารย์เสนกะณนะที่นี้ท่านจะเข้าใจสิ่งที่ควรทําอย่างไรเสนกะบัณฑิตได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าพวกเราจะปิดประตูเอาไฟจุดเผาหรือมิฉะนั้นก็จับศัตราห้ามหันฆ่ากันแล้วกันชิงและชีวิตไปเสียก่อน อย่าให้พระเจ้าพรหมทั์ฆ่าพวกเราด้วยการทรมานเป็นเวลานานเลยพระเจ้าวิเทหะตรัสถามปุกุสะบัณฑิตว่าขอท่านจงฟังคํานี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านอาจารย์ปุกุสะณที่นี้ท่านจะเข้าใจสิ่งที่ควรทําอย่างไรปุกุสะบัณฑิตกราบทูลว่าพวกเราจะกินยาพิฆ่าตตัวตายชิงละชีวิตไปเสียก่อน อย่าให้พระเจ้าพรหมทัตฆ่าพวกเราด้วยการทรมานเป็นเวลานานเลยพระเจ้าวิเทหะตรัสถามการมินทะบัณฑิตว่าขอท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านอาจารย์การมินทนะณที่นี้ท่านจะเข้าใจสิ่งที่ควรทำอย่างไรการมินทะบัณฑิตกลาบทูลว่าพวกเราจะเอาเชือกผูกคอตายหรือโดดเหวตาย อย่าให้พระเจ้าพรหมทัตฆ่าพวกเราด้วยการทรมานเป็นเวลานานเลยพระเจ้าวิเทหะตรัสถามเทวินทะบัณฑิตว่าขอท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านอาจารย์เทวินทะณนะที่นี้ท่านจะเข้าใจสิ่งที่ควรทำอย่างไรเทวินทะบัณฑิตกลาบทูลว่าพวกเราจะปิดประตูเอาไฟจุดเผา หรือมิฉะนั้นก็จับศัตราห้ามหันค่ากันแล้วกันชิงละชีวิตไปเสียก่อนมโหสดไม่สามารถจะช่วยปลดเปื่องพวกเราให้รอดพ้นไปได้โดยง่ายเลยพระเจ้าวิเทหะได้สดับดังนั้นคร่ำครวญจนมโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ยินจึงตรัสว่าบุคคลสแสวงหาแก่นของต้นกล้วยแต่ไม่พบฉันใดพวกเราเมื่อค้นหาปัญหาคืออุบายที่จะพ้นทุกข์ ก็ไม่พบปัญหานั้นฉันนั้นบุคคลสแสวงหาแก่นยิ้วแต่ไม่พบฉันใดพวกเราเมื่อค้นหาปัญหาคืออุบายที่จะพ้นทุกข์ก็ไม่พบปัญหานั้นฉันนั้นการที่เราทั้งหลายอยู่ในสำนักหมู่พานซึ่งเป็นพวกเขาไม่รู้อะไรก็เท่ากับฝูงกุชนชรอยู่ในที่ไม่มีน้ําซึ่งเป็นถิ่นไม่สมควรหนอหาไทยของเราสัน่นและปากก็แห้งผาก เราไม่ได้รับความเย็นใจเลยเป็นเหมือนถูกไฟเผาอยู่กลางแดดเบ้าหลอมทองของพวกช่างทองย่อมไหมอยู่ข้างในหาไม่ข้างนอกไหมฉันใดใจของเราก็ฉันนั้นไม่อยู่ข้างในหาไม่ข้างนอกไหมพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตผู้เป็นปาฏมองเห็นประโยชน์นั้นเห็นพระเจ้าวิเทหะผู้ประสบทุก จึงได้กราบทูลคํานี้ว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยข้าพระองค์จะช่วยปลอบปลื้องพระองค์ให้รอดพ้นเหมือนช่วยปลดเปลื้องดวงจันทร์ที่ถูกราหูจับให้หลุดพ้นข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลย ข้าพระองค์จะช่วยปลดปลื้งพระองค์ให้รอดพ้นเหมือนช่วยปลดเปลื้มดวงอาทิตย์ที่ถูกราหูจับให้หลุดพ้นข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยข้าพระองค์จะช่วยปลดปลื้องพระองค์ให้รอดพ้นเหมือนช่วยปลดปลื้มช้างเชือกจมปลักให้รอดพ้นข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยข้าพระองค์จะช่วยปลดเปลื้องพระองค์ให้รอดพ้นเหมือนช่วยปลดเปลื้องงูที่ติดอยู่ในข้องให้รอดพ้นข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยข้าพระองค์จะช่วยปลดเปลื้องพระองค์ให้รอดพ้นเหมือนคนช่วยปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงให้รอดพ้น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 พร้อมด้วยพระราชยานหมู่พลและพาณะให้รอดพ้นข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยข้าพระองค์จะขับไล่กองทัพของพระเจ้าปัญจาละให้หนีไปเหมือนขับไล่กาและเหี่ยวให้หนีไปอมาตะใดเพึงปลดเปลื้อพระองค์ผู้ตกอยู่ในที่ขับขันให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้ ปัญญาของอมาตะผู้เช่นนั้นหรืออมาตะผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาผู้เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรโมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์สั่งเหล่าทหารให้เปิดประตูอุโมงค์ว่ามาเถิดลุกขึ้นเถิดมานบทั้งหลายจงเปิดปากอุโมงค์และประตูเรือนเถิดพระเจ้าวิเทหะพร้อมอมาตะจากเสด็จไปทางอุโมงค์พระศา ส, ด, สดาไม่จะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า ผู้คนติดตามของมโหสถบรรดิตฟังคำสั่งของมโหสถนั้นแล้วช่วยกันเปิดประตูอุมโมงค์และถอดกรอนที่ติดยนเซนกะเดินนำเสด็จไปข้างหน้ามโหสถเดินตามเสด็จไปข้างหลังพระเจ้าวิเทหะมีอามาท่อมล้อมเสด็จไปถ้มกลางพระเจ้าวิเทหะเสด็จออกไปจากอุมโมงค์แล้วเสด็จขึ้นประทับเรือพระที่นั่งส่วนมโหสถบัณฑิตได้ทราบว่า พระเจ้าวิเทหะเสด็จขึ้นประทับเรือพระที่นั่งแล้วจึงถวายอนุสาสต์ว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมชนผู้นี้คือพระโอรสแห่งพระเจ้าจุลณีผู้เป็นพระสัสดุระพ่อตาของพระองค์พระเทวีนี้เป็นพระสัสดุแม่ยายของพระองค์ขอโปรดทรงปฏิบัติต่อพระสัสดุของพระองค์เหมือนทรงปฏิบัติต่อพระราชมารดาของพระองค์เถิด ค่าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระพาดาแท้ๆผู้ร่วมพระอุทธรมีพระชนนีเดียวกันพระองค์ก็ควรทรงเอนดูฉันใดพระปัญจาละจันทราชกุมารพระองค์ก็ควรเอนดูฉันนั้นข่าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพพระนางปัญจาละจันทนีราชบุตรีของพระเจ้าพรมทัตน์นี้ที่พระองค์ทรงปรารถนายิ่งนักขอพระองค์จงทาความรักใคร่ในพระนางของพระองค์ พระนางจะเป็นมเหสีของพระองค์พระเจ้าวิเทหะทรงประสงค์จะเสด็จไปจึงตรัสกับมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ว่ามโหสถท่านจงรีบขึ้นเรือเถิดจะยืนอยู่ที่ฝั่งทําไมหนอพวกเราพ้นจากทุกข์ได้โดยยากจงรีบไปนบัตินี้เถิมดมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ฟังพระราช ด, ดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราช การที่ฆ่าพระองค์เป็นผู้นำกองทัพจะทอดทิ้งกองทัพแล้วพึงเอาตัวรอดนี้ไม่เป็นธรรมเลยข่าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพข่าพระองค์จกนากองทัพที่พระองค์ละทิ้งไว้ในพระราชนิเวศซึ่งพระเจ้าพรหมทัตรพระราชทานแล้วนั้นกลับมาลาดับนั้นพระเจ้าวิเทห์ตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านมีเสนาน้อยจะข่มพระเจ้าพรหมทัตผู้มีเส น, า, นามากได้อย่างไร ท่านไม่มีกําลังจากเดือดร้อนเพราะพระเจ้าพระมทัยมีกําลังมโหสถปัญดิษโพธิสัตว์กราบทูลว่าผู้มีปัญญาถึงจะมีเสนาน้อยก็ชนะคนที่มีเส น, า, นามากแต่ไม่มีปัญญาได้เหมือนพระราชาผู้ทรงพระปรีชาย่อมชนะพระราชาหลายพระองค์ผู้มีทรงพระปรีชาได้ดังดวงอาทิตย์ขึ้นมากาจัดความมืดพระเจ้าวิเทหะ ทรงสรรเสริญคุณของมหโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์แก่เสนากะบัณฑิตว่าท่านอาจารย์เสนากะการอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลายเป็นสุขดีหนอเพราะมโหสถบัณฑิตได้ช่วยปลดปลื้มพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูให้รอดพ้นได้เหมือนคนช่วยปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงให้รอดพ้นและเหมือนคนช่วยปล่อยปลาที่ติดอยู่ในร่างแหให้พ้นเสนกะบัณฑิตได้ฟังพระราชดำรสนั้นแล้ว จึงสรรเสริญคุณของมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราชบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้นําความสุขมาให้โดยแท้มโหสถบัณฑิตได้ช่วยปลดปลื้งพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูให้รอดพ้นได้เหมือนคนช่วยปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงให้รอดพ้นและเหมือนคนช่วยปล่อยปลาที่ติดอยู่ในร่างแหให้รอดพ้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า พระเจ้าจุลณีผู้ทรงมีพระกำลังมากเฝ้าระวังไว้ตลอดราตรีทั้งสิ้นครั้นรุ่งอรุณก็เสด็จไปถึงอุปการณ์นครพระเจ้าปัญจาละพระนามว่าจุลณีผู้ทรงมีพระกำลังมากเสด็จขึ้นประทับช้างพระที่นั่งตัวประเสริฐมีกำลังต่อมีอายุห0สปีจึงเสื่อมกำลังได้รับสั่งแล้วว่าพระองค์ทรงสวมเกราะแก้วมณีมีพระหัตทรงพระแสงสอน ได้ตรสัสสาทับกับเหล่าทหารหารผู้เชี่ยวชาญศิลปะทุกๆด้านซึ่งมาประชุมกันอยู่บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงข้อความเหล่านั้นโดยย่อพระบรมศาสดาจึงตรัสว่ากองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบผู้มีฝีมือชำนาญในศิลปะธนูยิงได้แม่นยามาประชุมกันแล้วพระเจ้าจุลณีรับสั่งให้จับพระเจ้าวิเทหะว่า พวกท่านจงใส่ช้างพลายงาทั้งหลายที่มีกำลังต่อมีอายุห0สปีจึงเสื่อมกำลังไปขอช้างทั้งหลายจงเหยียบย่าทาลายเมืองที่พระเจ้าวิเทหะได้รับสั่งให้สร้างไว้ดีแล้วขอให้ลูกศรขาวด้านหน้าทำด้วยเขี้วลูกสัตว์มีปลายแหลมคมแทงทะลุกระดูกที่ถูกปล่อยไปแล้วจงข้ามไปตกลงด้วยกาลังธนูเถิดพวกทหารรุ่นหนุ่มๆสวมเกราะ แก้วกล้ามีอาวุธมีด้ามอันงดงามเมื่อช้างใหญ่ทั้งหลายเล่นเข้าสงครามมาอยู่จงหันหน้าสู้ช้างทั้งหลายเถิดหอกทั้งหลายที่ชโลมด้วยน้ํามันส่องแสงเป็นประกายเพลิงชั่วช่วงตั้งอยู่ดังดาวประกายพฤกซึ่งมีรัศมีตั้งร้อยเมื่อเหล่าทหารมีกําลังอาวุธสวมสังวานรัดเกราะเช่นนี้ไม่หนีสงครามพระเจ้าวิเทหะต่อให้มีปีกบินก้นหนีไปไหนไม่พ้น เหล่าทหาร 39,000 นายทั้งหมดของเราแต่ละคนล้วนถูกคัดเลือกไว้แล้วเราเที่ยวไปทั่วแผ่นดินก็ไม่เห็นทหารผู้ทัดเทียมอันหนึ่งช้างพลายงาทั้งหลายที่ประดับแล้วล้วนแต่มีกำลังต่อเมื่ออายุห0ปีจึงเสื่อมกำลังซึ่งมีเหล่าทหารหนุ่มๆ ม, มีผิวพรรณดุจทองคำส ง, ง่างามอยู่บนคอทหารเหล่านั้นมีเครื่องประดับสีเหลืองนุ่งผ้าสีเหลือง ผ้านุ่งผ้าห่มสีเหลืองย่อมส ง, ง่างามอยู่บนคอช้างดังเทพบุตรในอุทยานนันทวันกระบี่ทั้งหลายที่มีสีเช่นเดียวกับปลาสลาดขัดถูด้วยน้ำมันเป็นประกายวาววับที่เหล่าทหารกล้าทำสำเร็จแล้วและเป็นอย่างดีมีคมอยู่เสมอดาบส่องแสงเจ้าปราศจากสนิมทำด้วยเหล็กกล้าทนทานที่เหล่าทหารผู้มีกำลังชำนาญในการฟันเถือไว้แล้ว ดาบเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ด้ามทองคำประกอบด้วยฝักสีแดงกวัดแกว่งไปมางดงามดังสายฟ้าที่แปรปลาบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆเหล่าทหารดาบผู้แกล้วกล้า ส, สวมเกราะสามารถตีลังกาไปในอากาศฉลาดในการใช้ดาบและโล่ฝึกฝนมาดีกว่าพลแม่นธนูสามารถจะตัดคอช้างให้ขาดตกลงไปได้พระองค์ถูกทหารทั้งหลายเช่นนี้ล้อมไว้แล้ว พระองค์จะพ้นไปจากที่นี้ไม่ได้ข้าพระองค์ยังไม่เห็นราชาุภาพของพระองค์ที่จะเป็นเหตุให้เสด็จดำเนินไปถึงกรุงมิถิลาได้โมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์กล่าวเย้ยหยันกับพระเจ้าจุลณีว่าพระองค์ทรงดุลสายช้างพระที่นั่งตัวประเสริฐมาทําไมเนอพระองค์มีพระทัยร่าเริงเสด็จมาพระองค์ทรงสําคัญว่าเราเป็นผู้ได้ประโยชน์ขอพระองค์ทรงลดแรงธนูนั่นลงเสียเถิด ทรงเก็บลูกศรเสถียจงทรงเปลืองกรออัน ง, งดงามติดแพ่ไปด้วยแก้วไผยทูลและแก้วมณีออกเสถียพระเจ้าจุลณีได้สดับดังนั้นทรงคุก ค, คามมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว่าเจ้ามีสีหน้าผ่องใสและพูดอย่างฝืนยิ้มความถึงพร้อมด้วยผิวพรรณเช่นนี้ย่อมมีในคราวใกล้ตายมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ประกาศข้อความนี้ว่าข้าแต่ขติยราช พระดำรัสที่พระองค์ตรัสผูกคำรามเป็นพระดำรัสที่เปล่าประโยชน์พระองค์เป็นผู้มีความลับแตกเสียแล้วเพราะพระราชาของข้าพระองค์ยากที่พระองค์จะจับได้เหมือนม้าขาขยเกขับม้าสินทบได้ยากพระราชาของข้าพระองค์พร้อมด้วยอามาตราชบริพานเสด็จข้าแม่น้ำคงคาไปแล้วแต่วานนี้ถ้าพระองค์จับทรงติดตามไปก็จะตกไปสู่ความลาบาก เหมือนกาบินไล่ติดตามพญาหงมโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์ไม่พร่ำนพรึงดูดพญาราชสียกอุทาหนมากราบทูลว่าสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเป็นสัตว์ต่ำซามกว่าเนื้อเห็นดอกทองกวาวบานในราตรีก็เข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงเข้าล้อมต้นไว้เมื่อราตรีผ่านพ้นไปแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสุนัขจิ้งจอกที่ต่ำซามกว่าเนื้เหล่านั้น ได้เห็นดอกทองกวาวที่บานแล้วก็หมดหวังฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงล้อมพระเจ้าวิเทหะก็จากทรงหมดหวังเสด็จกลับไปชั้นนั้นเหมือนกันเหมือนสุนักจิ้งจอกล้อมต้นทองกวาวพระเจ้าจุลณีได้สดับดังนั้นแล้วทรงสั่งลงโทษมโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าพวกเจ้าจงตัดมือเท้าหูและจมูกของมโหสถนี้ผู้ที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหะ ศัตรูผู้ตกอยู่ในเงื้อมือของเราให้รอดพ้นไปพวกเจ้าจงเสียบมโหสถผู้ที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหะศัตรูผู้ตกอยู่ในเงื้อมือของเราให้รอดพ้นบนหลาวแล้วย่างมันเสียเหมือนย่างเนื้อนี้บุคคลแทงหนังวัวลงบนแผ่นดินหรือใช้ขอเขียวหนังราชสีหรือหนังเสือโครงฉุดมาชั้นใดเราจะให้พวกเจ้าช่วยกันใช้หอกทิ่มแทงมโหสถนี้ ผู้ที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหะศัตรูผู้ตกอยู่ในเงื้อมือของเราให้รอดพ้นฉันนั้นมโมโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ฟังพระราชดำรสนั้นก็หัวเราะกราบทูลว่าถ้าพระองค์รับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้ตัดมือและเท้าเป็นต้นของพระปัญจาละจันทราชกุมารเช่นเดียวกัน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 ถ้าพระองค์รับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้ตัดมือและเท้าเป็นต้นของพระโอรสและพระชายาของพระองค์เช่นเดียวกันถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์บนหลาแล้วย่างให้สุกเหมือนย่างเนื้อพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้เสียบพระมังสะของพระปัญจาละจันทราชกุมารบนหลาแล้วย่างให้สุกเช่นเดียวกัน ถ้าพระองค์รับ <NXT> ส <card> ั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์บนหลาวแล้วย่างให้สุกเหมือนย่างเนื้อพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้เสียพระมังสะของพระนางปัญจาลจันทธนีราชธิดาบนหลาวแล้วย่างให้สุกเช่นเดียวกันถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์บนหลาแล้วย่างให้สุกเหมือนย่างเนื้อพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้เสียพระมังสะของพระนางนันทาเทวี อัครเมเหสีแล้วย่างให้สุกเช่นเดียวกันถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์บนหลาวแล้วย่างให้สุกเหมือนย่างเนื้อพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้เสียบพระมังสะของพระโอรสและพระชายาของพระองค์แล้วย่างให้สุกเช่นเดียวกันถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบข้าพระองค์แล้วใช้หอกทิมแทงพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้ทิมแทงพระปัญจาลจันทราชกุมาร ด้วยหอกเช่นเดียวกันถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบฆ่าพระองค์แล้วใช้หอกทิมแทงพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้ทิมแทงพระนางปัญจาลจันทนีราชธิดาเช่นเดียวกันถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบฆ่าพระองค์แล้วใช้หอกทิมแทงพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้ใช้หอกทิมแทงพระนางนันทาเทวีอัครมเหสีเช่นเดียวกัน ถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบข้าพระองค์แล้วใช้หอกทิ่มแทงพระเจ้าวิเทหะก็จะรับสั่งให้ใช้หอกทิ่มแทงพระโอรสและพระชายาของพระองค์เช่นเดียวกันข้อความดังกราบทูลมาอย่างนี้ข้าพระองค์กับพระเจ้าวิเทหะได้ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วในที่ลับโล่นักประมาณ100ร้อยปละที่ช่างหนังทําสําเร็จแล้วด้วยมีดของช่างหนัง ย่อมช่วยป้องกันตนเพื่อห้ามลูกศรฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นผู้นําสุขมาให้บรรเทาทุกถวายพระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยศจึงกําจัดมติของพระองค์เสียดุจกําจัดลูกศรด้วยโลหหนังสี่ร้อยปละข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์จงทอดพระเนตรพระราชมนเทียของพระองค์อันว่างเปล่าพระสนมกํานันในพระกุมารและพระมารดาของพระองค์ ข้าพระองค์ให้นำออกทางอุโมงค์นำไปถวายพระเจ้าวิเทหะแล้วพระเจ้าจุลณีเมื่อสั่งให้อมาตคนหนึ่งมาเฝ้าแล้วส่งไปเพื่อให้รู้ความจริงจึงตรัสว่าเชิญพวกเจ้าจงไปสู่ราชมียนของเราแล้วตรวจดูคำของมโหสถนี้จริงหรือเท็จอย่างไรอมาต้นไปแล้วกลับมากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชมโหสถกราบทูลว่าฉันใด คำนั้นเป็นจริงฉันนั้นพระราชมนเทีทุกแห่งว่างเปล่าเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงกามโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์พรนานามัคคาที่พระนางนันทาเทวีเสด็จไปจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพระนางนันทาเทวีทรงพระชมงดงามทั่วทั้งสันพางมีพระโสณีผึ่งผายงามดุดดังแท่งทองคำธรรมชาติ มีปกติตรัสพระสัมเนียงอันอ่อนหวานประดุดดังลูกองเสด็จไปทางอุโมงนี้ข้าแต่มหาราชพระนางนันทาเทวีทรงพระโฉมงดงามทั่วทั้งสันพางทรงพระภูษาโกไยมีพระสุริระเหลืองอารามมีสายรับพระองค์งดงามด้วยทองคำข้าพระองค์นำออกไปแล้วจากอุโมงนี้พระนางนันทาเทวีมีพระบาทแดงสดใส ทรงพระโฉมงดงามมีสายรับพระองค์เป็นแก้มนีแกมทองคำมีดวงพระเนตรดังในตานกพิราบมีพระสิริระงดงามมีพระโอทแดงดังลูกตำลึงสุขสโสดสองมีบ้านพระองค์เล็กเรียวดังเถานากระดาที่เกิดดีแล้วและเหมือนการจะนะพยทีมีพระเกสายาวดำมีปลายช้อนขึ้นเล็กน้อย มีดวงพระเนตรเลื่องดุดดวงตาของลูกเนื้อสายที่เกิดดีแล้วและดูดเปลวเพลิงในฤดูหนาวเหมือนแม่น้ำใกล้ภูผาอันดารดาดไปด้วยไม้ไผ่ต้นเล็กๆพระนางมีพระเพลางามดังงวงอิยราที่สำคัญมีพระทันยุคคนดังคู่ผลมาพลับมีพระสันฐานสันทั์ไม่สูงนักไม่ต่ำนักมีพระขนงพองามไม่มากนักมโหสถบัณฑิตโพธิสัต ทราบว่าพระเจ้าจุลณีมีความสเสน่หาเกิดขึ้นจึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีภาณะที่สมบูรณ์ด้วยสิริพระองค์คงจะทรงยินดีกับการที่วงโคดของพระนางนันทาเทวีเป็นแน่ข้าพระองค์และพระนางนันทาเทวีก็จะพากันไปสำนักของพญายมด้วยกันแน่ลาดับนั้นพระเจ้าจุลณีจึงตรัสถามมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว่า โมโหสดผู้ได้ปล่อยพระเจ้าวิเทหะศัตรูผู้ตกอยู่ในเงื้อมือของเราทำเล่กลทิพหรือทำภาพลวงตาโมโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์ได้ฟังพระราชดำรัสนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ย่อมทำเล่กลอันเป็นทิพชนผู้มีปัญญามีมันสมองเหล่านั้นย่อมปลดเรื่องตนได้เหล่าทหารหนุ่มผู้รับใช้เป็นคนฉลาด เป็นผู้ขุดอุโมงคของข้าพระองค์ผู้ได้สร้างหนทางที่พระเจ้าวิเทหะได้เสด็จไปกรุงมิเทลาไว้มีอยู่มโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ทราบความประสงค์ของพระเจ้าจุลณีจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่สร้างไว้ดีแล้วงดงามเรืองรองด้วยทองแถวแห่งกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลลาบ ซึ่งเขาทําเป็นรูปปั้นและเป็นลวดลายไว้ที่สําเร็จดีแล้วเถิดพระเจ้าจุลณีทรงเห็นอุโมง์แล้วทรงยกย่องคุณของมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าโมโหสถเป็นลาบของชนชาวแคว้นวิเทหะหนอและเป็นลาบของผู้ที่มีเหล่าบัณฑิตเช่นนี้อยู่ในเรือนในแคว้นเหมือนมีเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าจุลณีตรัส ด, ด้วยประสงค์จะให้มโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์อยู่ในสํานักของตนว่า เราจะให้เครื่องดำเนินชีวิตที่บริหารเบี้ยเลี้ยงและบำเน็จเป็นสองเท่าให้โพคาอันไพบูรณ์เจ้าจงใช้สอยและรื่นรมในกลามเถิดเจ้าไม่กลับไปยังแคว้นวิเทหะพระเจ้าวิเทหะจะทรงทาอะไรได้มโหสดบัณฑิตโพธิสัตว์เมื่อจะปฏิเสธจึงกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชบุคคลผู้ที่สละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ย่อมถูกตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายติเตียนได้ข้าพระองค์ไม่พึงอยู่ในแคว้นของผู้อื่นได้ตราบเท่าเวลาที่พระเจ้าวิเทหะยังทรงดำรงพระชนอยู่ข้าแต่มหาราชบุคคลผู้ที่สละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ย่อมถูกตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายติเตียนได้ข้าพระองค์ไม่พึงเป็นราชบุรุษของพระราชาองค์อื่นได้ ตราบเท่าเวลาที่พระเจ้าวิเทหะยังทรงดำรงพระชนอยู่ในเวลาที่มโหสถบัณฑิตโพธิสัตทูทลาพระเจ้าจุลณีตรัสว่ามโหสถเราจะให้ทองพันแท่งบ้าน80ิบหมู่บ้านในแควงกาสีแก่ท่านให้ทาสีสี่ร้อยคนและพันญาร้อยคนแก่ท่านท่านจงพากองทัพทั้งปวงไปโดยสวัสดีเถิด ชนทั้งหลายจงให้อาหารแก่ช้างและม้าทั้งหลายอย่างละสองเท่าเพียงใดก็จงเลี้ยงกองผลรดและกองผลราบให้อิ่มน้ำเลือกข้าวและน้ำเพียงนั้นเถิมดมโหสถบัณฑิตท่านจงพาง อ, อ์ ก, กองผลช้างกองผลมา้ากองผลรดและกองผลราบไปเถิดพระเจ้าวิเทหามหาราช จ, จงทอบพระเนรท่านผู้ไปถึงกรุงมิถิลาแล้วเถิดฝ่ายพระเจ้าวิเทหะทรงเห็นกองทัพใหญ่ ตกพระไทยตรัสกับบัณฑิตทั้งสี่ว่ากองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบปรากฏมากมายครบทั้งสี่กองพลที่น่าสะพรึงกลัวบัณฑิตทั้งหลายจะเข้าใจอย่างไรหนอลำดับนั้นเสนกะบัณฑิตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชความยินดีอย่างสูงส่งจงปรากฏแก่พระองค์มโหสถบัณฑิตได้พากองทัพทั้งมวลมาถึงโดยสวัสดีแล้ว พระเจ้าวิเทหะเสด็จลูกขึ้นสวมกอดมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์แล้วทำปฏิสันฐานตรัสว่าคนทั้งสี่ทิ้งร่างกายตายไว้ในป่าช้าแล้วกลับไปฉันใดเราทั้งหลายก็ทิ้งท่านไว้ในกระบินรัตแล้วกลับมาณที่นี้ฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าปลดเรื่องตนได้เพราะเหตุเพราะปัจจัยหรือเพราะประโยชน์อะไรลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์จึงกลาบถูลว่า ข้าแต่พระเจ้าวิเทหะผู้เป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ล้อมประโยชน์ไว้ด้วยประโยชน์ล้อมความคิดไว้ด้วยความคิดล้อมพระราชาไว้เหมือนน้ำทะเลล้อมชมพูทวีปไว้มโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลถึงบรรณาการที่พระเจ้าจุลณีพระราชทานแก่ตนให้ทรงทราบว่าพระเจ้าพรมทัต ท, ทรงพระราชทานทองคำพันแท่งบ้านปดสบหมู่บ้านในแควนกาสี ทาสีสี่ร้อยคนและพัญญาร้อยคนแก่ข่าพระองค์ข่าพระองค์พากองทัพทั้งหมดมาที่นี้โดยสวัสดีแล้วพระเจ้าวิเทหะทรงยินดีร่าเริงอย่างยิ่งทรงยกย่องคุณของมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์ว่าท่านอาจารย์เสนกะการอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลายเป็นสุขดีหนอเพราะมโหสถบัณฑิตปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู เหมือนคนช่วยปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงให้รอดพ้นและเหมือนคนช่วยปล่อยปลาที่ติดอยู่ในร่างแหให้รอดพ้นฝ่ายเซเนกบัณฑิตรับพระราชดำรัสแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้อความนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะพวกบัณฑิตเป็นผู้นําสุขมาให้มโหสถได้ช่วยปลดปลื้มพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูเหมือนคนช่วยปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรง และปลา ท, ที่ติดอยู่ในร่างแหลให้พ้นไปพระเจ้าวิเทหะรับสั่งให้ชาวพระนครเที่ยวตีกลองประกาศว่าขอประชาชนทั้งหลายจงดีดพินทุกชนิดจงตีกลองน้อยกลองใหญ่และมะโหระทึกจงเป่าสังอันมีเสียงไพเราะของชาวเมืองเถิดพระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าผู้พระสนมกำนันในพระกุมารแพทยและพราม ต่างก็ได้นําข้าวน้ําเป็นอันมากมามอบให้แก่มโหสถบัณฑิตพวกกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบต่างก็นําข้าวน้ําเป็นอันมากมามอบให้แกะมะ่มโหสถบัณฑิตชาวชนบทและชาวนิคมมาประชุมพร้อมกันแล้วได้นําข้าวและน้ําเป็นอันมากมามอบให้แก่มโหสถบัณฑิตชนเป็นอันมากได้เห็นมโหสถบัณฑิตกลับมาต่างก็เลื่อมใส ครั้นมโหสถบัณฑิตมาถึงแล้วต่างก็โบกผ้าอยู่ไปมามโหสถาชาดกที่ห้าจบ